ดูก่อนอานน์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปานดังนี้เพราะว่าพระอระหังท่านเป็นผู้ดีและจะให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมเนียมด้วยสมควรแต่ผู้เลวสามต่ําช้าจะเข้าไปหาท่านผู้ดีผู้สูงศัก์โดยส่วนเดียวข้าแต่พระมหากรสปะผู้มีอายุ พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข่าอานนท์ดังนี้แล่ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาซึ่งพระอระหังก็พึงยกตัวและห้ามใจให้ห่างไกลาจากกองกิเลสเพราะพระอระหังท่านเป็นผู้ไกลาจากกิเลสจะบริกรรมแต่ด้วยปากด้วยใจว่าอารหังอรหังแล้วเข้าใจว่าตนได้พระอระหัง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 ถึงที่สุดแห่งพระอระหังสิ้นด้วยกันจะได้ถึงพระอระหังแต่เราตถาคตองค์เดียวหามิได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอระหังดังเราตถาคตสแสดงมานี้เถิดข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล่ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ สิ่งที่ให้สัตว์ทวาโลกเวียนว่าวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารทรมานทุกข์อยู่ในนรกและกำเนิดสัตว์เดรชานแล้วแล้วเล่าเล่าไม่รู้สิ้นสุดนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายมิให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารและมิได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดไม่ได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้นก็จักประสบภัยได้รับทุกข์ในอวัยภูมิทั้งสี่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 ด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหาถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจจะสินคือศินห้าผู้นั้นชื่อว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศินแปดได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สองชั้น ถ้ามาตั้งอยู่ในทศศีลคือศีลสิบผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สามชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมคือศีลสอง้อยี่สิเจ็ดผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สี่ชั้นผลอนิสง์ก็มีเป็นลำดับขึ้นไปตามศีลนั้นผู้ที่มีศีลน้อยอนิสง์ก็น้อยผู้ที่มีศีลมากอนิสง์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีลบุคคลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลห้า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 ต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้อันจากพ้นทุกข์ในนรกและได้สเสวยสุขในสวรรค์และพระนิพพานก็เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอย่างเดียวสิ่งที่ให้คนเราได้รับสุขในรับทุกขอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสคร้ำระงับดับกิเลสได้แล้วเป็นเหตุให้ได้ประสบสุขและพ้นจากทุกข์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 ถ้าถืออย่างนี้ผิดทางพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้ปราศจากกิเลสเราตถาคตไม่สรเสริญเลยบุคคลจําพวกที่บางเบาจากกิเลสใกล้ต่อพระนิพพานเราตถาคตรสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทําบุญทําทานทํากุศลปรารถนาเพื่อจะให้บุญกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพาน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 แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทำความเพียรบำเพ็ญภาวนาทำบุญทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนาเพื่อระงับับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้นเช่นนี้ชื่อว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้ดูก่อนอานนงจงพากันประพฤติตามคําสอนที่เราแสดงไว้นี้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 เราตถาคตได้กล่าวอยู่ว่ามีผลอนิสงส์จริงแต่ว่ามีอนิสงส์น้อยและผิดจากทางพระนิพพานถ้าเข้าใจว่าการรักษาศีลเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกิเลสรักษาศีลห้าได้แล้วจะเพียงพยายามรักษาศีลแปดศีล 10, สิบศีลพระปาทิโมกเป็นลําดับไปเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกองกิเลสทีละเล็กละน้อยตามลําดับเมื่อเราตั้งอยู่ในศีลประเภทใด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 ก็ให้เจ็บไข้แก่ตายและให้ชิบหายพลัดพรากจากกันให้รักให้ชังให้อดให้ปีให้ด่าให้อยากให้ทุกข์ให้ยากเข็นใจอาการกิริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้เราตถาคตจึงอนุญาตให้บวชเพื่อความระงับดับกิเลสไม่ให้เกิดมีเป็นเชื้อสายสืบโลกต่อไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจรักษาศีลเพื่อให้ดับกิเลสและตรึกตรองหาอุบายเพื่อทาลายกิเลส อันเป็นต้นเขาให้ขาดศูนย์การรักษาศีลพระปฏิโมกข์ก็ดีการรักษาข้อวัดในทุรงสิบสามนั้นก็ดีก็เป็นอันประมวลลงในศีลนั้นทุกอย่างมิใช่ว่าจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่างจนสิ้นจนหมดหามิได้รักษาศีลพระปฏิโมกข์ก็ดีรักษาทุโลงขวัดสิบสามก็ดีก็ไม่มีเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพื่อความประนับดับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อรู้ว่ากิเลส เป็นเขาเงื่อนแห่งกองทุกกองโทษกองบาปกองกรรมเช่นนั้นแล้วข้อวัดอันใดที่เป็นไปเพื่อ่ายกตนออกจากกิเลสได้ก็จงกระทําข้อวัดนั้นให้ปริบูรณ์เถิดการรักษาศีลพระปฏิโมกและรักษาทุกองควัดทุกอย่างเมื่อมิได้เข้าใจว่าเพื่อความประงับดับกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการรักษาปเปล่าๆเมื่อเรารู้ว่ารักษาเพื่อระงับดับกิเลส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 เป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพานด้วยเหตุที่เขาหมัวถือเนื้อถือตัวว่าตัวรู้ตัวดีอยู่ดูก่อนอานอนุ์บุคคลที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแล้วยังปล่อยให้ตนได้รับความทุกข์อยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นภาลปูถุชนคือเป็นคนโง่เขลาผู้ที่ไร้ปัญญาเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นศิษย์ของพระตถาคตยังไม่ได้เมื่อบวชแล้วประพฤติตัวให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อ นั่นแหละจึงจะเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแท้เราตาคตหวังเพื่อความสุขจึงได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วมาทําตนของตนให้เป็นทุกข์บุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนโง่เก๋าเบาปัญญาหาที่เปรียบไม่ได้ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่ทําตัวให้เป็นทุกข์เลยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาจึงทําตัวให้เป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่นักบวชจําพวกเดียวแม้คฤือหัดถ้าหาปัญญามิได้ ก็ได้รับความทุกข์ยากลําบากเหมือนกันปราชุดูมีปรีชาเมื่อออกบวชแล้วท่านย่อมพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งประโยชน์และสิ่งซึ่งไม่ใช่ประโยชน์ท่านพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งศีลและข้อวัดที่หนักและเบาแล้วท่านไม่ต้องรักษามากมายหลายอย่างหลายประการนักเลือกรักษาแต่เล็กแต่น้อยก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจผู้ที่โง่เขลาเบกปัญญานั้นด้อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆนานาน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 ไม่ต้องลำบากแก่การแบกการหามส่วนบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าต่ อ, อการงานที่พึงจะทำเมื่อไปตัดไม้ได้แล้วจะถากเอาแต่ที่ต้องการก็กลัวจะเสียเพราะตัวไม่เข้าใจการงานต้องแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งส่วนยาวได้รับความเหนื่อยหนักอย่างทวีคูณก็เพราะความที่ตัวเป็นคนโง่เกลาเบาปัญญาดูก่อนอาน o ์การที่รักษาแก้วไม่ดีไม่มีราคา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 เห็นไปโดยผิดทางเช่นนี้ล้วนแต่เป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานอนผู้ที่ไม่รู้จักบาปเข้าใจว่าบาปนั้นอยู่นอกตนนอกตัวเมื่อทำบาปแล้วบาปนั้นก็จะลุกมาแต่นรกใต้พื้นดินมาจับกลุ่มคุมเอาตัวลงไปสู่นรกการทำความเข้าใจอย่างนี้ย่อมเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานอนสุขก็ดีทุกข์ก็ดี บาปบุญคุณโทษก็ดีย่อมอยู่ที่เราจะเข้าใจว่าบาปบุญอยู่ภายนอกตัวทําบุญแล้วคอยท่าบุญจกมานําเอาตัวไปสู่สุขติคิดอย่างนี้ตั้งร้อยชาติแสนชาติก็ไม่อาจได้อันว่าบุญบาปสุขทุกข์ย่อมไม่มีณนะภายนอกตัวบุญกุศลและความสุขนั้นก็คือดวงจิตส่วนบาปกรรมทุกโทษนั้นคือหมู่แห่งตัณหา ปัญหานั้นจะมีหน้าที่อื่นนอกจากตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวบุญและตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อตัวไม่ชอบทุกข์อยากได้ความสุขก็จงพยายามแก้ใจของเรานั้นเถอะถ้าเราไม่เป็นผู้แสวงหาความสุขแแล่ให้พ้นจากทุกข์แล้วใครเขาจะมาช่วยตัวเราให้พ้นจากทุกข์ให้ได้รับความสุขได้เล่าเพราะสุขทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเมื่อเราหามิได้แล้ว ใครคนอื่นที่ไหนเขาจะมาหาให้เราได้ดูก่อนอาอนนบุคคลผู้ที่เข้าใจว่าบุญกุศลสวรรค์และพระนิพพานมีผู้นำมาให้บาปกรรมทุกโทษนรกและสัตว์เดรัจฉานก็มีผู้พาไปทั้งสิน้นบุคคลผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้หลงโลกหลงทางหลงสงสารบุคคลจำพวกนั้นแม้จะทำบุญให้ทานสร้างการกุศลใดๆที่สุด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 ค่าแต่พระมหากัสสะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานน์บุคคลที่เข้าใจว่าทําบุญไว้มากๆแล้วจะรู้และไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบุญหากจักพาไปให้ได้รับความสุขเองเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงโดยแท้เพราะเหตุไรบุญจึงจักพาตัวไปให้ได้รับความสุขเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันเมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้จักบุญ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 ก็ยังไม่ปราศจากทุกขมิใช่จะมีทุกขแต่สวรรค์ดิบในเมืองคนเราเท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงสวรรค์สุขในชั้นฟ้าชั้นใดใดก็ดีสุขกับทุกข์มีอยู่เสมอกันเป็นความสุขที่ยังไม่ปราศจากทุกขไม่เหมือนพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันต์บร ม, มสุขมีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจือปนด้วยทุกขเลยดูก่อนอาน o ์อันว่าสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้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 ทุกชั้นย่อมเจือปนอยู่ได้ทุกทั้งนั้นไม่แปลกต่างกันและไม่มากไม่น้อยกว่ากันความสุขในสวรรค์ก็หากเป็นความสุขจริงจะว่าไม่สุขนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกแม้ถึงกระนั้นก็คงดีกว่าตกอยู่ในนรกโดยแท้ดูก่อนอานน์สวรรค์ดิบในชาตินี้กับสวรรค์สุขในชาติหน้าอย่าสงสัยว่าจะต่างกันถึงจะต่างบ้างก็เพียงเล็กน้อย เมื่อต้องการความสุขเพียงใดก็ตรงภาคเพียนให้ได้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในเมืองคนนี้จะนั่งจะนอนคอยให้สุขมหานั้นไม่ได้ไม่เหมือนพระนิพพานความสุขในพระนิพพานนั้นไม่ต้องขนขวายเมื่อจับถูกที่แล้วนั่งสุขนอนสุขได้ทีเดียวความสุขในพระนิพพานนั้นจะว่ายากก็เหมืนง่ายจะว่าง่ายก็เหมือนยากที่ว่ายากนั้นยากเพราะไม่รู้ไม่เห็น ผาลปูธุชนคนตาหมืดทั้งหลายรู้ไม่ถูกที่เห็นไม่ถูกที่จับไม่ถูกที่จึงต้องภาคเพียงพยายามหลายอย่างหลายประการและเป็นการเปล่าจากประโยชน์ด้วยส่วนท่านที่มีปัญญาพิจารณาถูกที่จับถูกที่แล้วไม่ต้องทําอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่างนางั่งนั่งนอนๆอนอยู่ปเปล่าๆเท่านั้นความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดขึ้นแก่ท่านได้เสมอเพราะเหตุฉะนั้น จึงว่าความสุขในพระนิพพานไม่เป็นสุขที่เจือปนไปด้วยทุกข์ดูก่อนอานน์เมื่ออยากรู้ว่าเราจะได้รับความสุขในสวรรค์หรือจะได้รับความทุกข์ในนรกก็ต้องสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้ใจของเรามีสุขมากหรือมีทุกข์มากทุกเป็นส่วนนรกดิบเมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุขสุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบเมื่อตายแล้ว ก็ได้ขึ้นสวรรค์สุขเมื่อยังเป็นคนอยู่มีสุขหรือทุกข์มากเท่าใดแม้เมื่อตายไปก็คงมีสุขและมีทุกข์มากเท่านั้นไม่มีพิเศษกว่ากันบุคคลผู้ปรารถนาความสุขในภพนี้แต่พบหน้าแล้วจงรักษาใจให้ได้รับความสุขส่วนตัวตนร่างกายข้างนอกนั้นไม่สําคัญจัดได้รับความสุขความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิดเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่เมื่อแผ่นดิน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 เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ทำบุญทำกุศลก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้าครั้นตายไปก็หาได้พ้นจากทุกข์ตามความประสงค์ไม่มาปัจชิมมชาตินี้เราจึงรู้ว่าสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ตัวนี้เองเราจึงได้รีบเร่งปฏิบัติให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังเป็นคนอยู่จึงพ้นจากทุกข์และได้เสวยสุขอันปราศจากอา mith เป็นพระบรมครูสั่งสอนเวนยศสัตว์อยู่ทุกวันนี้ข้าแต่พระมหากัสปักผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาะแก่ข้าอานนท์ดังนี้แหละลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาะต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทาอย่างนั้นแม้เราตาคต ก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุครูทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษปาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหาครรดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถ้าดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถ้าดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิง หาเศษนี้ได้แล้วก็ได้เสวยสุขในพระนิพพานทีเดียวเราสถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผู้รู้ทางแห่งความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราสถาคตเลยแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนับไม่ถ้วนก็ดีและจักมาตัสรู้ในการเป็นภายหลังก็ดีจักมาช่วยพาอาสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้ว ให้ได้เสวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มันแนะนำสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระยิพณฑ์อย่างเดียวกับเราสถาคนคดนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลยานมีอาการเหมือนอย่างเราสถาคนคดนี้ทุกๆุกองบุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีลด้วยฌานด้วยยานด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลง ผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลลยานสำหรับกับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยการทุกอง์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหามิได้ผู้ใดมีทศพลลยานผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกอง์ไม่ควรจะมีความสงสัยยานสิทธิประการ น, นั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มียานสิทธิประการแล้วจะรู้ดี มีอิทธิดำดินบินบ่ได้อย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามียานสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธาสักดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลยานสิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จะสร้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมือง ก็จะเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกเท่านั้นดูก่อนอานอนทศพลยานสิทิประการนั้นเป็นของสําคัญอยู่สําหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราสถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบาเพา็ญญาณสิทธประการได้แล้วก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางญาณ น, นั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิม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 พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระมหากะสะเป็นประธานอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเทศนาแก่ข่าอานนท์สืบต่อไปว่าดูก่อนอานนท์อันว่าความทุกข์และความสุขนั้นก็มีอยู่แต่นรกและสวรรค์เท่านั้นส่วนพระนิพพานมีอยู่นอกสวรรค์และนร ก, กต่างหากบัดนี้จะแสดงทุกข์และสุขในนรกและสวรรค์ให้แจ้งก่อน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 มีอวัยวะพรักพร้อมบริบูรณ์ทุกอยา่างทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วยสมควรจะได้สวรรค์และพระนิพพานโดยแท้เหตุฉะไหนจึงเหยียบย่ำตัวเองให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นน่าสังเวชยิ่งนักดูก่อนอานนุ์สุขทุกขนั้นให้หมายเอาที่จิตจิตสุขเป็นสวรรค์จิตทุกเป็นนรกจะเข้าใจว่านรกและสวรรค์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 แล้วไปเที่ยวค้นคว้าหาในที่อื่นบุคคลจําพวกนั้นชื่อว่าเป็นคนหลงคนเมาเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหามืดมนอยู่ด้วยมลทินแห่งนรกดูก่อนอานน์สัต์ที่ตกอยู่ในนรกมากมายนับไม่ได้แน่นอาจนับเยียดกันอยู่ในนรกดังเข้าสารหรือมเมล็ดถั่วมเมล็ดงาในกระสอบแต่ก็ไม่เห็นกันได้ด้วยเขาไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนรก ไม่รู้สุขทุกบาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าจิตของตนเป็นทุก์เป็นสุขมีแต่มัวเมาอยู่ด้วยตัณหาการมาราคาที่อีเลสจึงชื่อว่าตกอยู่ในนรกยัดเยียดกันดังเข้าสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบร้องเรียกหากันไม่เห็นกันคือไม่เห็นทุก์ไม่เห็นสุขเห็นกันและกันเท่านั้นเองดูก่อนอานน์จิตใจนั้น ใครไม่แลเห็นของกันและกันได้ผู้ที่รู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้นั้นมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่จะรู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้ก็ด้วยญาณแห่งพระอรหันต์ถ้าละกิเลสตัวร้ายมิได้คุณความเป็นแห่งพระอรหันต์ก็ไม่มาตั้งอยู่ในสันดานจึงไม่อาจอย่างรู้วาราจิตของสัตว์ทั้งปวงได้แม้พระตถาคตจะยางรู้วาราจิต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 ดังที่รู้ด้วยอรหัตตะคุณนั้นไม่ได้ถ้าบุคคลที่ยังไม่พ้นกิเลสมีความรู้ดียิ่งกว่าเราตถาคตผู้เป็นพระอระหันต์แล้วการที่เราตถาคตสละบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติอันเป็นเครื่องเจริญแห่งความสุขออกบุญนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่โง่เขลากว่าบุคคลแต่พวกนั้นเพราะเขายังจมอยู่ในกิเลสแต่มีความรู้ดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอระหันต์ผู้ไกลาจากกิเลส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 ไม่ควรจะเชื่อถือถ้าใครเชื่อถือก็ชื่อว่าเป็นคนนอกพระาศาสนาไม่ใช่ลูกศิษย์ของเรางตถาคตแท้ที่จริงหากเอ า, าศาสนธรรมอันวิเศษของเรานี้บังหน้าไว้สําหรับหลอกลวงโลกเท่านั้นบุคคลจําพวกนี้แม้จะทําบุญกุศลเท่าไหร่ก็ไม่พ้นนรกแม้ผู้ที่มาเชื่อถือบุคคลจําพวกนี้ก็มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกัน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 ดูก่อนอานนท์บุคคลจำพวกใดหากเบียดเบียนเหียดสีหมิ่นประมาทในพระสังฆเถระและภิกษุสัมมเมนที่เป็นสิทธิ์ของพระสถาคตโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษไม่ถึงประราชิตและบงังคับให้ศึกออกจากเพศพรหมจันยร์หรือกระทาปปาชนิยกรรมไปเสียก็ดีบุคคลจำพวกนั้นเป็นบาปยิ่งนักไม่อาจพ้นนรกได้บุคคลจาพวกใด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 และบุคคลจำพวกที่กล่าวมินประมาทเย้ยหยันแก่สานุสิทธิ์ของเราตถาคตที่มีโทษไม่ถึงประชิตบุคคลจำพวกนี้มีโทษหนักยิ่งกว่าจำพวกที่ทำลายพระพุทธรูปและพระสถูปพระเจดีย์นั้นหลายเท่าบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นเป็นบาปมากก็จริงอยู่แต่ยังไม่นับว่าเป็นการทาลายพระพุทธศาสนาผู้ที่กล่าวมินประมาทนั้น ได้ชื่อว่าทำลายศาสนาของพระตถาคตเพราะว่าผู้ที่มีความผิดโทษไม่ถึงปราชิกนั้นยังนับว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่ต่อเมื่อเป็นปราชิกแล้วจึงขาดจากความเป็นลูกศิษย์ของเราถ้าเป็นโทษเช่นนั้นแม้จะลงโทษหรือกระทำปรับปายจริยกรรมก็หาโทษไม่ได้และได้ชื่อว่าช่วยพระศาสนาของเราด้วยการทำลายพระพุทธรูป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 โดยความอิดชาริษยาเช่นนั้นย่อมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำลายศาสนาพวกที่มินประมาททาให้สงฆ์ที่มีโทษยังไม่ถึงอันติมัให้ได้รับความเดิดร้อ น, อนถึงแก่เสื่อมจากพรหมจรรย์ได้ชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้ข้าแต่พระมหากรสปะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานน์ดังนี้ แล้วจึงตรัสเทศนาแก่ข่าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรค์และพระนิพพานก็ต้องรีบภาคเพียรกระทําให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างจะเป็นการลาบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพานผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงทําตัวให้เหมือนแผ่นดินหรือเหมือนดังคนตายแล้ว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 พระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลยหากมีอยู่ที่จิตใจนั้นเองครันดับโลภะโทสะโมหะมานะทิฐิได้ขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นถ้าไม่รู้ในดับกิเลสปัญหายังไม่ได้เป็นแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้พระนิพพานดังนี้แม้สิบหมื่นชาติแสนชาติก็ไม่ได้พบปะเลยเพราะกิเลสปัญหาทั้งหลาย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 ขากันเวียนวหว้าตายเกิดอยู่ในวัดตะสงสารนี้ถือเอากำเนิดในพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานน์บุคคลผู้มีปัญญาพึงคิดถึงตนแล้วปราบใจของตนให้พ้นจากทุกข์และความลาบาก และให้ออกจากบ่วงแห่งกิเลสมารให้ได้เถิดถ้าไม่คิดอย่างนี้แม้จะมีปัญญาก็มีเสียเปล่าไม่นับเข้าในจำนวนที่มีปัญญากิริยาที่พ้นทุกข์พ้นยากและพ้นออกจากบ่วงแห่งกิเลสมารได้ก็คือพ้นจากกิเลสตัณหาของเราเมื่อพ้นจากกิเลสตัณหาได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าพ้นจากความทุกข์ความยากโดยสิ้นเชิงถ้ายังไม่พ้นก็ได้ชื่อว่า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 ก็แล้วแต่ใจเขาส่วนตัวของเราข้ามไปได้สมประสงค์แล้วข้ออุปมาณนี้ฉันใดผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ก็ต้องทําตัวให้พ้นทุกข์เสียก่อนจึงสมควรจะสอนคนอื่นมีอุปมาเหมือนผู้ที่จะพาข้ามแม่น้ํำฉะนั้นบุคคลที่เปลื้องตัวให้พ้นออกจากกองกิเลสยังไม่ได้แล้วจะไปเปลื้องปลดสัตว์ในป่าช้า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 บริโภคสองนั้นคือจีวรปัจจัยและเสนาสนะปัจใจสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายนอกนับเป็นหนึง่งบินทบาทปัจจัยและกีฬานะปัจใจสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายในนับเป็นอย่างหนึง่งบริโภคทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวกิเลสตัวทุกข์ตัวสุขสิ้นทั้งนั้นถ้าบริโภคสองนี้มากขึ้นเท่าใดทุกข์ก็มากขึ้นไปตามเท่านั้น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 ที่ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นก็เพื่อให้เป็นเครื่องระ ง, งับดับกิเลสปัญหาคือบริโภคทั้งสองถ้าระ ง, งับไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่ทําความเข้าใจว่าพระปฏิโมกและทุรงควัดจะช่วยยกตัวให้ขึ้นไปสวรรค์และพระนิพพานเช่นนี้เป็นความเห็นของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาจักไม่พ้นทุกข์เลยบริโภคทั้งสองนั้นได้ชื่อว่า ปริพโธดสองที่แปลว่าความกังวลการรักษาพระปฏิโมกและทุกองควัดก็เพื่อจะตัดปริพโธคือความกังวลให้เบาบางลงได้เท่าใดก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสวรรค์และพระนิพพานขึ้นไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าด้วนโอวาทคําสั่งสอนลงสู่ปริพโธสองว่าเป็นที่สุดโดยสิ้นเชิงคือว่านรกสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ปริพโธสองครบปริบูรณ์ ผู้ศึกษาเล่าเรียนจะรู้มากรู้น้อยเท่าไหร่ไม่นิยมรู้มากหรือรู้น้อยถ้าระงับปริพ ooth นั้นได้ก็เป็นการดีจะอยู่วัดบ้านหรือวัดป่าประการใดก็ตามถ้าระงับปริพ o o t สองนั้นได้ย่อมเป็นความดีความชอบทั้งสิน้นถ้าระงับปริพ o o t สองนั้นไม่ได้แม้จะรู้มากมายแต่อยู่วัดบ้านวัดป่าประการใดย่อมไม่ดีทั้งสิน้น พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นใจความอย่างนี้อันดับนั้นจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานอนธรรมนี้ชื่อว่าพระยาธรรมิกราชเพราะเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายข้อที่เราตถาคตได้ตรัสไว้แล้วในธรรมบวดนี้คือได้ชีน้นรกสวรรค์และพระนิพพานกิเลสตัณหาโดยจะแจ้งสิ้นเชิงเมื่อผู้ใดได้ฟังแล้วปรารถนาสุขทุกประการใดก็จงเลือก ประพฤติตามความปรารถนาข้าแต่พระมหากัสปะพระพุทธเจ้าตรัตเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้ขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยภรรยาของตนโดยนัยยะดังข้าพเจ้าอานนท์แสดงมานี้เทินแล้วพระองค์ก็หยุดไม่ทรงตรัตเทศนาอีกต่อไปข้าพเจ้ากราบถวายบังคมแล้วก็กลับไปสู่สำนักท่านคิริมานนแสดงสัญญาทั้งสองประการคือ รูประสัญญานามสัญญาให้พระผู้เป็นเจ้าฟังโดยพุทธบริหารทุกประการท่านคิริมานน์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลในขณะที่วางธุระในรูปในนามโรคภัยของท่านที่เจ็บป่วดเวทนาก็อันตรธานหายในขณะนั้นข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระสูตรนี้จะได้ชื่อว่าพระยาธมิกสูตรตามรับสั่งนั้น ก็จกเสียนิมิตไปเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนเป็นนิมิตพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาที่วัดเชตวันารามรารบพระคิริมานนเกิดอาพาธให้เป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าคิริมานนเท่าสูตรมีเนื้อความดังแสดงมานี้แล